50 languages. Sam. Muro. การทาความรู้จัก Parichee s i k u l w u d u สวัสดีค่ะ Namaskara. สวัสดีค่ะ Namaskara. สบายดีไหมคะเฮกิดดีดิคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะยุโรปนินดาบันดิรวิราคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะอเมริกาดินดาบันดิรวิราคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะเอเชียดินดาบันดิรวิรา คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะยาวะโฮเทลนลีอิดดีรีคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะยาวะกินินดาอิลิดดีรีคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะเยชตสมัยาอิลีอิรุตตีรีคุณชอบที่นี่ไหมคะ นี่มเหรอีพเดชาอิสตวาอีเตคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะนี่วูอินลีรัจกคลยลูบันดิตเดรนมาเยี่ยมดีฉันบ้างนะคะนันนูโอเมเปติมาดินี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะอีออดูนันนาวีลาสั เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะนาเลนาวูเบติมาโดนเวขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างชั้มิซีนันาเกเบเรเกลาซาอีเดลาก่อนคะ่ะฮูกิบรุตเตเนลาก่อนคะ่ะมัตเะ แล้วพบกันนะคะอิสตรัลเล่เบธีมาโดนา